อันโมฝ่าวยังเดี๋ยวหลวงพอ่อสิบวอยังให้ฟังสักหน่อยเนอะเพราะว่าโดนๆพวกเขานี่มาพบไม่เจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วขมมหาปีนี้ของเราไปออปีหนึ่งเจอกันเธอนึ่งวันนั้นในไม้พบไม่เจอผูบาอาจารย์ภาพวัดต่างๆแลยก็จะคอยพูดกันไอ้ยังอย่างหน่อยก็ได้ไมีขอคิด ประจำคิดประจำใจของพวกเข า, าน่อยกลับบ้านกลับเมืองมือในพวกเขายึดตงอกตั้งใจมากกาบคู่บาอาจารย์โดยเฉพาะยางยิ่งหลวงพ่อชารีปัดปาผู้ก่อนของเฮาที่เพิ่นเคยอยู่กับพวกเข้าและมาพูดถึงพวกเขานีาจโยมทุกๆคนที่มาวัดว่ดาศาสนาให้เสื้อโจกของนะ ให้เสือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจากนั้นก็เอาล่างกายเอากายว่าใจาใจของเจ้าของเข้าไปประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไปคือกันกับพวกเฮาทํามากค่าขายนั่นแหละไอ้ไรทำมากค่าขา ย, ยแต่พวกเฮาทั้งหลายคู่มือเนี่ยเป็นอย่างบกกาทุ่มเทในรักของพระพุทธศาสนาบกกาทุ่มเทปฏิบัติร้ำ ตามพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าสาเหตุใงหลวงพ่อพิจารณาเบิงเบ่งแล้วคิดเบิ่งแล้วไปอาจจะพิษหรือปลูกแต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะถูกเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเข้าต้องคิดเรื่องผลกำไรทำมากค่าขายประเภทนี้ได้ผลได้กำไรไ อ, อี่ยงขาดทุนจังไหนคันอวมันขาดทุน ก็คงจะบ่มีผลได้ก อ, อทำภาคค้าขายหรือบ่มีผลได้กาลงทุน อ, อ, อันนี้คือกันคันธรรมาวพวกเข้าบ่เชือในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ตายแล้วมันศูนย์ถ้ามันตายเราเกิดเอ อ, อันนี้ก็สงสัยละ่ะบาปุ่นคุณโทษมีจริงบอกน่ลกสวรรค์นี่มันมีจริงบอก คือความสงสัยสามประเด็นนี่ในใจในใจของเฮานี่มันมีความสงสัยเยอะในใจเพราะฉะนั้นจึงบอกร่าที่จะทุ่มเทลงทุนตามความสามารถของเจ้าของเสื้อยุก็เสื้อแบบใกล้ๆบริษัเสื้อแบบนักเหน่งเพราะเหตุใดเพราะอะไรยินงโตโตกันมากแล้วก็มันก็ม่มีคนใดมายืนยันที่แน่นอนในเชียงเหล่านี้ เพราะนั้นพวกเข้าจึงบ่มั่นใจในการลงทุนของพวกเขา้าท่ากระทำหมเต็มที่ตามไม่ยิงใ น, นหลักประทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เสื้อจ้าของเนี่ยเมนยูคือการกับวิธีการแนะนําสั่งสอนเจ้าปลูกเฮ็ดสวนบักพริกน เ, เนะี่เจ้าเฮ็ดจังสีจังสีหน่าเจ้าปลูกบักเขือนนี่เจ้าเฮ็ดจังสี เจ้าดำหน้าต้องปลูกเขาต้องเฮ็ดจังสิเงยเคื่องมันก็ละอย่า ง, างกันวิธีการทําขั้นเฮ็ดหน้าสิมันก็ต้องมีน้ำปักดําขั้นที่ปลูกมะเขือี่เขาจะไปกักน้ำปลูกบักเขือมันกระบอแม่นแน่อีกอยงวิธีการวิธีการอันนี้คือขึ้นกันวิธีการปฏิบัตริรับถ้ำคําสงสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ขึ้นกันก็ให้พวกเข้า ศึกษาก็ศึกษาเลยอะลงมือประพฤติปฏิบัติในเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วผลที่ได้มากผลที่ออกมากเข้าจะเป็นผู้เห็นเองคือกันเขาปลูกเข้าปลูกมะพริกวมะเขือปลูกหมากมีหมากม่วงเข้าก็ได้รับผลอันนี้คือกันถ้าหาว่าพวกเข้าจริงจังในการปลูกธรรมะของสู่จิตใจของพวกเข้าตั้งอกตั้งใจรักษาศีลตั้งอกตั้งใจ นังสมาธิภาวนาของเข้าจะได้รับความลมเย็นเป็นทุกเด้แต่เ้าเข้าพิรารณาเบิงสมุวาเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจสอนให้ท่านคือทั้ทงที่ของเข้าหามาไดยด้วยเงากรจิตได้เข่ามาัาสีปันหนึ่งคือบอเมนไหนมากง่ายกรจิตได้เขาเนี่ลงทุ่นหนึ่งเต่ปีที่แล้ว เ, เกือบปีเคิงปีก็ เอาเข่าได้กลัสจมาเป็นเม็ดได้กลัวจะเป็นข่าวสารได้กลัสจะมากินได้ว่าแม่งของง่ายงและบอกแต่จะได้เงื่นแต่ละขั้งขึ้นก็ได้มากดญญากแต่พระพได้เจ้าเป็นอย่างนี้นให้เสียสารายังให้เสียให้ท่านจึงบอกสอนให้ท่านเนอร์ซูเดอให้รักษาซีเตอร์ซูเดอให้ภาวนาเนอร์ซูเดอร์าว่าสูงคือพุทธบริรษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนน ه, เนี่ยว่าสูงเขาเหมือนสูญเจ้าทั้งหลายไงเนี่ยสำหรับฆราวาสท่านศีลภาวนาสําสหรับสอนพระศีล ส, สมาธิปัญญาคือเน้นนักสามจุดคือไงเนี่ยสำหรับคราวาสเนี่คือท่านศีลภาวนาฆราวาสญาติโยมทั้งหลายดํำลงชีพโดยการธรรมะหาเลียงชีพธํามาค่าขายการเกษะสิกรรมการเกษตรกรรม ตลอดถึงธามาหาลิ่งฉีบในการธามาค้าขายมีเงินขับทรัพย์สมบัติเพื่อเยิกขอ้อนให้เสียสละการให้เสียสละตัวนี้มันเป็นการเกื้อกูลหนุนสำหรับให้คน้นยูร่วมกันพอแมพี่น้องปูญญาตายายตลอดถึงสัตวติรัจชานหมูหมาเป็ดไก่ที่ยูกับมนุษย์ใด น, นี่เพราะการให้ท่านเเพราะการเสียสละเดขันหัาว่ามีการเสียสละต่อกัน หมาอยู่กับเผ่าอยู่บ่ไรแมวอยู่กับเผ่าอยู่บ่ไรคนบ่อเลี้ยงมันบ่ว่าแต่คนมันไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เสียสละให้เสียสละให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ได้เงินคับทรัพย์สมบัติมาแล้วให้แบงเน่าให้หูจักแบงเน่าแบงดูแบงกิ่นแบงใส่เน่ออย่าไปเก็บไว้ผู้เดียวบ่ไใดบ่อถูกสีแบงมดกับบ่อถูกเอให้หูจักแบง พระพุทธเจ้าคนจึงเปรียบเทียบเป็นชาติรกขืนมาให้พวกเข้าได้หูได้เห็นชาติรกเรื่องนี้เลยว่าพระพุทธเจ้าสวยพระชาติเป็นทุกขตะเป็นข้นจนธรรมดาพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นคนจนชาติหนึ่งแยามือเศ้ามากไปแก่ฟื้นมีเอาหล่อได้ก็พูดละเขาป้าก่อนะไปแก่เอาไม่ตายมากขาม้าในเมืองก็มากขาย แต่เที่ยทุกตาคนนึ่ขยันนออกไปเตืนอนเฮามาไปละเออเวลกรแบกใส่เกียนแล้วยังมาแล้วเนียมันเหลือเกียนวนออกไปแบกใสบ้าพอ่ออีกเออนั่งเกียนั่นแบกสบ้าอีกเพื่อให้มันได้หลโค้เก้านออกไปเออบานอะยังลองเพ่งไอ้ต่างหากเลยลองล่ำท่ า, าเพ่งใช่คือกันก็บ่ ม, มีความทุกข์ในใจนยนออกไปเออลองล่ำท่ า, าเพ่งเออ ท่านนี้พระเจ้าเป็นดินสเสด็จหลอกเมืองลอลหล้เทื่อต่อไล้หนเพื่อนก็เห็นทุกะตะมอหน่เอ๊ะถึงที่มันถุกมันแก่เกลียนแบกบฟื้นใส่บานั่งเกลียนพอมมันก็บอได้ทุกได้เสามันยังร่องร่าทําเพ่งมันเฮ็ดทำมากค้าขายกู ม, มือนะ้ำมันเฮ็ดหยังมันค้าขายไปหยังรพระเจ้าไปดีนก็เลยให้เสนาอามัดให้จอด ให้มันจอดเกวียนด้วยก่อนเอิเอญมาถามมันออกไปงสงสัยมืออันที่เป็นพระเจ้าไป่นดินก็คึมคึมว่มีว่ามีโทระอย่างว่าเออเอิญมาถามถามประตุกะตะเมื่อแกไปใส่ม้ไไสมาสันไปแกฟื้นมา้านี่ยไปขายใส่ก็สันขายระด้เงินมาแล้วเนีใส่จังไรแต่ละมือเนี่ยได้เท่าไหรค่าใส่ใจคล้ายๆกับแบบ เป็นผู้ใหญ่นายกมาเห็นประชาชนช่นทำงานเลยถามได้ดประจำมือคนไปยังสัว์ละได้เท่าไหร่ค้าขายฟืนเนี่ยแต่ละมือเนี่ยเรี่ยงชีพของใดบอกูุก่มบอเป็นยังไงลักษณะน่ะถามการเป็นยู่แต่ละวิชาอาชีพคนไปถามกระางค้นขายฟืนเนียพระเจ้าเป็นดินสมัยนั้นเก็ถามทุกตาก็บอกว่าผมไปขายฟืนได้เงินยุ ได้แล้วมึงใส่จังไหนวเ่พระเจ้าเป็นดินถามออได้มากผมแบงเป็นพูดพูดครับวะเส่แบงเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งออผมถวายให้เที่ยววดาส่วนหนึ่งผมไปฟังดินไหวส่วนหนึ่งผมถิ่มลงนำมหาสมุทรทะเล ส่วนหนึ่งผมเง็ดเขาป่างูหองงูสาว่าสั่นเลยบาทถานีพระเจ้าเป็นเองก็งงแล้วน่ะไปเอ๊ทุกขตาเมื่อวานนี่ยกูก็งงละเวเมื่อที่ไหวให้ชัดเจนให้กูฟังมนุษย์มาสั่นมันเป็นจังไดมาสั่นเลยได้เงืนมากจะไปห้าแบงให้บูชาเที่ยวดาไม่ใช่จังไดเที่ยวดาอยู่ใส่ั คือได้เงินมากผมแบ่งให้เทวดาเนะี่ยคือพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงมากเปรียบเทียบคือกันกับเทวดาอยู่เบื้องสูงของบุตรทดาขั้นหาว่าบม่มีพ่อแม่เลี้ยงมากนี่ผมก็บเป็นเจงสี่มาได้ เ, เกิดมาเนี่พ่อแม่ความหนาซ ะ, ซะเซตเร็วเลยตายมดไอ้นี่แหละคือเทวดาที่ได้เลี้ยงผมมาเพราะนั้นผมได้เงินได้ข้ามมากผมก็ต้องแบ่ง ให้พอให้แม่ได้ใส่ได้ซอยคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไปฝังดินหน่อเมื่อไปฝังดินไว้เห็อย่งรเงินบ่ละคือฝังดิน ไ, นไนว้ น, น, นี่ก็คือเก็บไปใส่ในอนาคตต่อไปอเก็บไบใส่ในอนาคตแล้วก็ส่วนอันนึงอีก ในทำบุญในสาธารณชนในพระพุทธศาสานาทำบุญแกสมณะชีพภาพบัดเพิ่นก็เลยถามว่าอีกส่วนหนึ่งละ่ะเทวทิมลงมหาสมุทรทะเลคืออย่างทุกตาบอกว่าถิมลงมหาสมุทรทะเลคือเอามา ก, กินเองเอามาใไสเองไสเทอะได้มันก็วอเต็มพี่สันคือการก็ทิมลงมหาสมุทรทเลนั่นเอง อาบานีนส่วนหนึ่งเด็กที่นี่ขบปากงูเห่างูสาเนี่คืออย่างทุกขตาพันว่าพันว่าสมัยนั้นเด็กพันวาลูกเมียนี่คือกันกับงูเห่างูสาวเสียพนวาขั้นบ่อห้กินมันจมเป็นโผว่เสียนพันวาพอนี่พวกเขาฟังไว้เนี่พวกเป็นไม่ออกยังไงฮะจมให้พวกออกลายเดเออพันวาขั้นบ่อไห้ลูกไห้เมียกินมันจมมาเส่ยพันวา ก็อะไรเนี่ยไทยงูเฮางูสะกินวะท่าน อ, อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งวะท่นพระเจ้าไปดินอย่างนี้ออนึ่เออหมอนนิฉลาดด้วยมีเงินขึ้นมาแล้วหู้จักแบ่งใส่หุ้จักการบริหารจัดการเกี่ยวกับสมบัติที่ได้มาถึงจะเป็นของเล็กน้อยกับหุ้จักบริหารจัดการในทรัพย์สมบัติของเจ้าของเป็นบุคคลที่นานับถือนี่แหละอันนี้พวกเฮ้าคือกัน ที่หลวงพ่อยกในท่านสาธกมาให้ฟังนี่ยคือได้เงินได้ข้ามสับสมบัติมาแล้วบอแมนจิบได้มาตะ ไ, ปปไตดีไปป้อมซื้อหวยใต้ดินไปป้อมซื้อหวยเหนือดินใต้ดินโยห์หันบอไหวเน๊ะเออพวกนั้นต้องเก็บเออไปตบให้โลกบเออการพานันบอไปซื้อกินเหล่าอย่าบอแมนแนวเน๊ะบ อ, อยู่บออยู่ในตำร า, าของออทุ ก, กะตะวันไกไปทุกตะได้เปนว่าันเบูชาเที่ยดาขึ้นอย่างให้พ่อแม่ ฝังดิดไหวเนี่คืออย่างเก็บไหวใจอนาคต เ, าเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาท้ำบุญผอมลงไปบุญก็คือทั้งด้านคิดใจเด้อันนี้ก็คือการฝากฝังไหวขึ้นกันเนี่ทั้งคิดใจนี่นยอนุไปพวกเข้าจะได้พึ่งบุญนะตัวนี้เนีต่อไปพ่ายภาคหนาเกิดมากพบหนาชาติหนาถ้าว่าเฮาบริถัมบุญไหวเกิดมาพบหนาชาติหนาเฮาก็ต้องทุกวันไปเพราะว่าบริถัมบุญไหวเลยบริถิแห่งานไหว อันในสงท่านบม่มีเกิดมาพบไดชาติใดก็แข่งแหลงคนว่าเข้าในถ้ำบุ่นไวยเนี่เกิดมาพบหนาชาติหนามันหัค่อยเป็นคอยไปพ่อเป็นพ่อไปบ่ทุกบ่โจนวนไปถ้ามาหาเลี่ยงฉีพก็บบ่ถึงกับฟืดกับเครื่องถูกยังวะเฮ็ดเขาา่าไรๆถือในช่วงที่มันราคาแพงปีหนนวนไปคันว่าเห็ดมันไร้ก็สูงราคาแพงอีกเห็ด ไอ้ยังขึ้นมาหลายๆมีดถือราคาแพงวันออกไปไอ้แปลว่าถูกจังหวะไอ้กันแปลว่าคนมีบุญขันว่าคนมีบาปเลยขันเฮ็ดเขาหลายๆเขาเตรีมเหล่ามันราคาผัถือสักปีนิดขันห้าปีนหน่อยเขาผัดแพงวันออกไปเออมันตรงขามทังสันแปลว่าข้นมีอวัดาสนาข้นมือบุญเอออันนี้คือกันเน่ยขนมีบุญคนได้เคยสร้างบุญไว้แล้วเนี่ยเฮ็ดอย่างมันจวบมอเนีมันถูกจังหวะพอดิพอดีวันออกไปเพราะนั้นคนมีบุญ พรอะนั้นการทำบุญคือการเสียสละนึ่ถึงจะมากจะน้อยก็ตามอัตภาพของเฮาค่วนจะแบ่งการทำบุญโบแมนสีเก็บทั้งมัดโบแมนสีใสทั้งมัดย่างทุกตะเพิ่นบรรยายนไม้ฟั่งนั่นนะทีมนุงนำ ม, มหาสมุทรทะเลคืออย่งคือคือทีมเส้ร่างกายของเฮาเนี่ถมห่ดจากเต็มจากอิม่มกินเท่าไรก็พอๆลงไปขันมีหลายเนี่กินโตะละหมืน่นโตะละแสนเออซื้อกินวนไปกินก็เพราะขนั้นหละคือการก็ทีมนุงนำ ม, มหาสมุทรนะ มันบวเต็มหรอกกิ น, ทนเท่าไรจะว่ามันบวมแกกับบวมแนได้ แ, แ, แก่ขึ้นเรื่อดหัวลงไปถึงหอดมือมันก็ตายคือเรากินดิบกินดีเะได้แห้งตายไหวหัวลไปเป็นอะไยังระาวางังท่านเป็นดิบกินดีเะ่ไรอย่ไปหาตาย อ, าอย่างในโงพยาจาลใ่าะพอยตายแล้วมันไขมันมันหลายี่ยมันบวมอ้วนเขา่าอ้วนเขา่ า, เขาบาดนี่ยเออเส้นเลือดอุดตันในสมองศีษาแตกตายแกแดแล้วหัวลไปเออมันกินข้องดีหลายๆเาอพ่อยนั่นกินพ่ออยู่ใด กินพ่อดำลงฉีพให้เป็นไปพอแล้ววันไปบ่อต่องกินดิบกินดีดอกแต่จะไปหากินของที่มันแสลงแล้วมันพอแมย์ห้องบ่อสอนอน่ยไปหากินเออขั้นชาบ่อยาฟินบ่อเฮโรอีนบ่อยาบ้าบ่อเนี่ยโอ้ท่านจูร่าบ่อท่านพอแมยเห้องบ่อสอน่าไปหากินแนวที่พอเมย์บ่อสอนวันไป นึหกหรอว่าพวกเข้าพวกได้เกิดมาเด็ ก, กน้อยเอาเหล่าหยอดปากมันเพื่อให้มันใหญ่มากให้มันกินเหล่าเกียงมีบอผู้จังสัตว์คือจิตบ่มีมั่งลงพอวะบาห่างใหญ่ยยขึ้นมาเถ่าขึ้นมาสันเห็นขวดเหล่าสันริ้วใส่ริ้วใส่ใสออกันไปกินเหล่าเต็นต่างย่างติงยิงกนออกไปมันบ่เป็นตะเบิงกนออกไปพราะนั้นแซลเซิ่งเหลรานั่นเฮาก็ต้องคึ้อย่าไปหากินอย่าไปหาเห็ดมันคาน่ากินไปหากินเหล่าเมายา ด ม, กกดมเกาะดมกาวพวกเข้าต้องสอนลูกสอนหลานเด้ที่หลวงพอบวอให้ฟัง่งเนี่เพื่อให้ผัวเข้าเอาไปไทายทอดให้ลูกให้หลานได้ฟั่งอีกทีห น, นึ่งนี่แหละหลวงพ่ออินเพิ่์นว่าเนี่ยด้เงื่อนครับซับโซบัตมาเนี่ยบริหารจัดการก้าการเงื่นจังไดที่ใดมากโมเมนที่เอามาใส่ลุยชุยแฉกมัดเนี่มาห้ามเมื่ออื่นมาเจียบไข่ได้ป่วยละเมื่ออื่นห้องสิ่งหูจักบว่าเข้าจีเป็นอย่างยู่ดีดีรถมอเตอร์ไซค์อาจจะมาเฉียวมาชนเขาอาจจะเจีบไข่ได้ป่วย ล่มป่วยลงไปนี่ยไปหาหมดทำหมอนเงินเท่ามีบ่ในครอบครัวเซ่งเราเนี่ย ว, ว, ว่าหนาครอบครัวผัวเมียต้องเด็กคิดไหวพนไปต้องเตรียมเงินไวช้ชวนหนึ่งเพื่อประกันครอบครัวลูกหลานของเฮาอันนั้นไม่จริงจะถูกเนี่ว่าแมจิมาจะได้พอกับขอดหลอดเหรอเงินเท่ามีดอกเลยปุณ่นนะขเขาไปหาวงโบวกวงไพ่ปุ น, น่ะทางผูวเมียขึ้นกันเงินเท่ามีดอกขอดหลอดพุณ่นนะอยาเพิ่มมาอีกไปซื้อหวยใต้ดินเนื้อดินพนนไปเออ แงเข้าไปแต่นี่แห้งจมจนไปหนาวลงไปอันนี้อแปลว่าเขาสีใสเขาสีใจจึงได้ก็ตามแต่ว่าส่วนหนึ่งของก่อนเงื่อนขั้วจะมีในครอบขัวของเข้าไวเพื่อประกันการเป็นอยู่ของพวกเขาอันนี้หลวงพ่อพูดในในรายละเอียดให้พวกเข้าได้รับรู้รับทราบกันคือการบริหารจัดการของขอบขั้ววนไปแต่พวกเข้าอาจจะเฮ็ดมาแล้วจึงสั่นก็ได้แต่บางคนไม่เป็นถึงสัน่นเลย ใส่สูดุยสูไล ย, ยิ่วยชูยแฉะเพราะมันเกิดขึ้นมาเมื่อเกินบาทเลยเอาให้เอาหน้าเอาทีบ้านทีเ่เฮื่อนไปจำน่องจำนํ้อยังลงพอไปเห็นในธนาคารมีหนังสือเป็นเหล่มลงพอไปเห็นสนุกดใจเนอลงไปอสะุดใจจังไหนที่เอาบ้านเอาเฮื่อนไปจำนําธนาคารแล้วบาทดียเขาสืยืดแล้วบาทเลอเขาสื่ยืดวนออกไปคการหนึ่งเฮาเคยอยู่บ้านจากแต่ปูญาตายย่อยชักสัวคนแล้ว บ้านให้มาหอดเท่าเนี่ให้เขายึดไปมันหนาคิดเดียวน่อไปวัวหนาครอบขัวหีือคิดอย่างไดว่าหนาอ่อยแต่ขนาดหลวงพ่อบ่เป็นเจ้าของกิจาการบ่เป็นเจ้าของบ้านหลวงพ่อก็ได้คิดตัวไสรุปแล้วก็คือหัวหนาครอบขัวอาจจะเป็นมักใจใไฟสูงเกินไปคือส่วนหนึ่งออันเดียวก็คือท้ำเกินตัวลืมคิดว่าผลที่ยังติตามมากจนทำให้เขามายึดบ้านยึดเงื่อนของเจ้าของใด ตามไม่จริงการท้ำอย่างก็ะตามทาว่าถ้ำเกินตัวมันก็บรรทกได้คือการก้าเขาแบกไม่ไงเกินน้ำหนักเจอบของนะอจมว่าคนเข้าจย์อยเอาไปพวกน่ะไปแบกเข่าร้อยกระสอบปุ่นเอาไปมาขาหักแขนหักแบกไวว่ไหวเพราะเหตุใดเพราะกำลังเขาบวมีอันนี้คือกันการที่จะบริหารจัดการการทิรธรามะค้าขายต้องคิดก่อนว่าเข้าเหตุใ ด, ดบอ บอแมนเท่าจิตคืบบอีิคืบแต่อา่านเห็นเขาเหตุกระเหตุไปตามผลสู้ก็เลยเจ่งพราเจ่งของม่านอะเป็นห น, น, น, น, นี้เป็นสินพอกพู่นขึ้นมาแบบนี้ท่าคารไม่หยึดซับสมบัติของเขาโอ้เสียความรู้สึกยางมากวันหนึไปพราะนั้นพวกเข้าอันนี้ก็ได้คิดไว้ขึ้นกันเนีอยพอแม่ต้องส อ, อนลูกสอนหลานเอาไว้ให้เบิ่งคิดเบิ่งอนาคตเงินเก็บมาเก็บเล้กลูกเลิกหลานนะท่านเจ้าของเขาบเก็บเข้าก็เก็บให้เขา ผมเป็นเจ็บใบซีวันจับยัดไว้ธนาคารไวเพื่ออนาคตเขาจะได้ใส่ได้ซอยอันนี้คือการฝังดินใบกระแมนแล้วก็จากนั้นก็ทำบุญทําท่านแบงทำบุญทำท่านนำชวนให้ลูกให้เมียมันก็จําเป็นการบริหารเรื่องจัดการ น, นี่แหละอันนี้แปลว่าเสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วควรจัดการจังใด อันนี้คือท่าณนะคือการหก็คือการเสียสละคือพอแม่ของพวกเข้าเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นกะพวกาคานายาตศีละคือรักษาศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยว่าให้มีโทษรักษาศีลเง้พวกเข้าอยู่ไก่วัดไก่ว่าก็ควรจะรักษาศีลหานะไปรักษาศีลหาวันพระวันเจ้าควรจะเขาวัดเขาว่านนะ่ยสั่งสมบัลมีของเข้าเอาไว้รักษาศีลเอาไว้สีเลนะสุขติญยันติ ผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะสินสีเลณโภกับสัมปธาผู้จะมีโภคะสมบัติมากได้เพราะศินสีเลนะนิผูติ่งยั่นติผู้จะไปสู่นิพานได้พเพราะสินพรอใดนั้นพวกเข้าควรจะรักษาสินกับบกควรประมาทรักษาสินสินก็คือรัอ่วเออถ้าเข้าจะเดินทางไปเข้ามีรั่วเออมีถนนหนทางไปมีรั่วกันทั้งสองขางบให้เข้าออกนอกขางนอกทาง มันก็ไปไว่ายถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วอันนี้คือกันคานาวะเฆ้าบอมีศินถ้ามัความช่วยเสียหายในชีวิตนี่กับนั้นแหะไปค่ายาบาฆ่ า, ายามาค่ายาฟินซะไปติดคุกติดตะลั่งเสียอนาคตออกมากเลยค่ะเสียหนา้าเสียตาอยู่กับชุ่มชนสังคมบ่ได้อันนี้ก็คืออันหนึง่งคานวะเฆ้อบอมีสินไม่จะเสียหายอย่างสันเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ให้สอนลูกสอนหลานบอกลูกบอกหลานให้เป็นคนดีเดอร์ลูกหลานเดอร์ให้ยูในกรอบของศีลธรรมมึงถึงจะทุกข์จะจนยังไงกะนี่แหละให้มันอยู่ในกรอบศีลธรรมนี่แหะต่างคนต่างอยู่พวกเข้าจิหลมเหย็นเป็นทุกทั้งกายทั้งใจกานว่าเข้าเหตุบอถืกนี่ยขึงคนทางนอกนะวามีเงื่อนก็นตามแต่ว่าใจของเขานมันเผาเจ้ า, จาของเนีมันเผาเจ้ า, จาของหอนวูวูวูขึ้นกันนะมันเอาไปเพราะเหตุใดเพราะเข้าถ้ำบอถูกผู้อื่นบวมหูเนี่ยต้องเขาหูหหแก้ใจของเขา้า ขั้นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจเข้ามาเนี่ยสะดุ้งโหยงเราลงไปถึงเขาจะบาว่ายอย่งใจของพ่อเ็มเตือกเตึกเตืล่ะเพระเหตุใดเพราะเขาทำความผิดเขาทําความผิดถูกต้องไว้เพราะนั้นค่ะว่าเขารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยวรยานผู้ใดไปไซก็ได้เอาไปอันนี้เรื่องศีนลนะรักษากายว่าจะให้ลมเย็นเป็นสุขปกติสุขไม่ให้จิตใจกระเพื่อมบุญไห้สมัครที่รักษาสมาครที่คือรักษาใจมัน หมันคงวให้จิตใจบอกแกหวกวิ่งจิตใจทรายแสวิ่จิตใจฝุ่งสานอันนี้ก็คือสมาธิของพระพุทธเจ้าแต่พวกเฮารวยมากพอบอกถึงสมาธิเท่านั้นหาวนอนบอนอ่อลอยลงไปเอพระนาดอืมสี่ไหวพระขึอนกันเอาไหว้พระได้ว่ า, วาท่านไหวพระสีนั่งพระวานาใชะพราะกาบพระเท่า น, นั้นะในความอยากนอนแจ็คแม่แหลมมาแต่ใส่เอาเนาะไปทั้งกาบพร้อมทั้งน้ำตาลางังน้ำตาไหลเอาท่นไป เออหาว่าหาว่ว้เพาะอิติปิโสอลหังสัมมากก็ยังพท่านจบวนออไปนี่มันอยากนอนหลวนออไปนี่แหละเพราว่าตัวกิเลสเออกันเป็นสัตว์นเนี่ยเบิง้งเโว้กิเลส ก, กูยังไหลเว้ยเออขนาดไหวพาซีมันก็อยากรับจากนอนมันเปิดจังใดเนะบาเอนี้พ่อนางพาอวานาด 2, 3, นะดด 3, นได้บัตร น, งงนางพาอวนาพุทธโธสองสามค่ำนึ่งพุทโธพุทธโธสามค่ำวออไปเบิงหัวสันสะพงุกเงือกหนานเงือกลังเลวไปเออมันแปลกเด้ เออนี่แหละอันนี้ก็คือเข้าตรงสู่มันอย่งกิเลสมันอยู่ในใจของเขานี่มากมปเพราะในให้พวกเข้าตั้งอกตั้งใจคั้นมีความมุ่งมั่นถึงจะได้ใครมีสัจจะคือความจริงใจเออขั้นผู้ขาบวไวยพระเจ้าก้อนผู้ขาบ่อนนั่นที่แรกเอาสักพันศาหนึ่งก่อนก็ะไรนะต่อไปพันศาหนานะขั้นผู้ขาบวิไวพระอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุปฏิปัโนนะโมตัสะสะสก่อนเผู้ขาบ่อนอนน ซีขวาสีบ่อนอนเด็ดขาดออันนี้ให้เฮ้าตั้งใจไหว่อนไปต่อไปบาตรนี่มั่นใจได้ไปเรื่ลยๆขั้นบริวายพระจะ ก, ก่อนนอนบ่อได้เด็ดปันฟันให้ต่พูทเถืๆอๆเราทั่วไปเออฟันให้แล้วว่นนี้ไปบาตรนี่ต่อไปฮ่องเล่ดใ่ไหวพระเฮ้าเป็นพุทธมามากะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆระบาดนี่นี่แหละให้พวกเฮ้าทั้งหลายเนาะให้ประกอบคุณงามความดีออกตนญาติโยมทวาเฮ็ดได้จึงลงพอว่านี่ ความลมเย็นเป็นทุกข์ในตัวของเฮาในครอบครัวของเฮาขีเพึ่งทางจิตใจของเฮาที่มีความผาทุกข์ขึ้นเรื่อยๆเยถาแก่ชรามากเฮาระลึกถึงบุญกุศลของเฮาที่ท่าม่านมากเฮาก็สบายอกสบายใจเด้บอวิตกบอกังวนบอ ว, ว่าวอ้างว่างบอเงียบเหง า, าเพราะเฮาได้สั่งบุญโดยสม่ําเสมอมาแล้วเออขาตายไปนี่ขาก็าจะต้องไปสู้ความดีของขาไปเจ้าข้าไปเจ้าบริหทความซัวคันาวับ ขาพระเจ้ายัางตกนรกโยนเนี่ยเรียว่าไปทั้งบอดี้เยนผู้อื่นแห้งไปให้ก็ข้าพระเจ้าพอข้าพระเจ้านี่รู้สึกว่าผู้หนึ่งที่พยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่เจ้าของให้คึ้จังสันแล้วก็ถ้ำจังสันมาด้วยนะอันนี้แหละเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทยึดพระพุทธเจ้าพุทธทั้งชนร่างคัดชามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึงถ้ำมั่งสารนั่งคัตชามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะเป็นที่พึงสังข่างสรนั่งคัตชามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึงตลอดมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์ยืนเดินนั่งนอดรับตื่นระลึกได้หรือบ่ระลึกได้ก็ดีข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตจะทำแต่คุณงามความดี จะสางแต่บุญกุศล เ, เท่านั้นถ้าหว่าผู้ขายังมีจิตจํานึกมีสติโยถ้าวัตถิพานมาผู้ขาได้ล่วงละเมิดการกระท่ำสิ่งใดก็ตามโดยกายก็ดีโดยวาจาก็ดีโดยใจก็ดีต่อท่านผู้มีพระคุณคือพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์พอแม่คู่บาอาจารย์วองสาขาหนญาติผู้ใหญ่ไผ่ก็ตามผู้ขาได้ กระทำลงไปโดยความโง่เขารูดเท่าไม่ถึงการขอหลวงวิญญาณขอท่านเหล่านั้นอโอโหสีให้ภูขาโดยเทินภูคาจะได้สำา่วมระว่างต่อไปอันนี้คือก่อนหลับก่อนนอนก็ดีตื่นนอนมากกว่าดีให้เฮาขึ้นสำนึกไหวอยู่จังสันว่าไปจิตใจของเฮาสีออนน่อมอ่อนโยนจิตเดินทางไปในทางที่ถูกต้องแต่มันจะแข็ง แข่งในสิ่งที่ยืนหยันยืนยัดตัวแบบมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้องว่าทำไมสิ่งที่มันบ่ถูกต้องเข้ากับอ่อนนอ้อม อ, อ่อนโยนให้อภัยสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเขาจะพย า, ยามมุ่งมัน่นเดินสู้จุดนั้นจิตใจขเขาจะได้รับความลมเย็นพาสุขนานเท่านานสรุปแล้วก็คือเรื่องท่านให้แบ่งกิน่นแบ่งใส่ เรื่องศีลให้รักษากายว่าจ่าเรื่องสมาธิกับพยายามนั่งสมาธิแต่ละมือแต่ละวันโดยเฉพาะยังเยิ่งไปวัดพระไปวัดว่าศาสนาผู้เถาผู้แก่นั่นแหละเถาแก่มากแล้วอย่าไปหาห่วงบ้านห่วงเมืองหลายให้ห่วงวัดห่วงว่าไปวัดไปว่าคนน่ะรักษาศีลภาวนาอยู่ในบ้านในเมืองกับอยู่มอปลาแห้งแล้วล่ะขั้นทีเป็นเศรษฐีมันก็เป็นมอปลายแห้งนั่นแหละบ่มีดอกหก้าก็ได้ทีเป็นเศรษฐีสาเเ่า มีต่ อ, อยู่บ้านอยู่เพือนมีแต่จมเศร้า จ, จมแล้งจงฟัดจมเฟียดจนลูกหลานแตกหนีมัดนะ่อลูกหลานอยู่นําบ่อใดอพวกเข้าบ่แม่นแน่วเด้ขันบ่อใดเป็นผู้เฒ่าผัวแก่หน่ให้เขายิบให้ลูกหลานนี้ปากไปเคิงหนึ่งนะคันเอาไว้ทั้งสองนะมันมันเว่าหลายโพดลนไปเนี่ยว่าคนโบร้านนะมันแม่นได้ธรรมชาติเพิ่นสอนบอกเหตุไวเอาน่อยถ้ามาชาติเหตุไวจะถูกเด้เพราะว่าพ่อเฒ่าเขามานี่ย เออเข่ากระล้นกันไปตากระฟังหูกระด้วงขั้นพุทธตาดีเห็นลูกเห็นหลานเห็นยังจมอยู่มัดมือกันลไปขั้นในยิ่งมีอย่างเขาว่าอายุใส่อยู่บ้านเหนือบ้านใต้มากกะที่จมอยู่มัดมืออยคือเราพุ่าหูดีกันไปพราะเหตุนั้นเนี่ยธรรมชาติจึงว่าให้ผู้เุ่าหูดีว่าให้ผู้เุ่าตาดีกันไปดัดไหวกันไปดัดพุทาไหวเอพราะเหตุนั้นพวกเข้าตรง อายุในกรอบเนอะอายุในกรอบศิลธรรมอย่าไปหาจมไหลเฮ้ยบาฮ่าเจ้าของเป็นเด็กน่อยเด็กนุ่มเหมือนไปหาเที่ยวสัตวมาแลแท้แตะเออเขาออกเขานอกออกในไปกรุงเทพคนนะ่ะบาฮ่าเถ้ามาแล้วทําท่าจมเศร้าจมแรงมันโ ม, มน เ, นเมนต์แน่เด็ดเฮเบิร์กเจ้าของเนี่ยก็สมัยกูเป็นเด็กหน่อยกูเป็นหนุ่มกูก็บเฮดจังสี่ขึ้นเขากับเขานะเนี่ยกับเฮดจักนั่นเลยแต่ว่าให้สอนเขา อ, อ, อยู่เฮดสอ น, ใ ห, สอนให้สอนอยู่ แต่เขาไปจมเอาจริงเอาจังไรกันเฮเบิงเจ้าของกอนเรไปขั้นให้เบิงเจ้าของเลยก็ยังคอยจมเขาเออกูพวกเฮจังซีมันได้ลูกลามเลอกูเฮจังซีจริงๆที่มันค่อยเจริญสอนเขาทั้งสัตว์โบเมนมหาเถ่ามากเลยทาทาเป็นผู้ดิบผู้ดีจมเศร้าจมแรงมหาเจ้าของเป็นเด็กน้อยฉันหาเที่ยวมาแล้วแท้แถจนพรยแห้งกอนเราไปมหาเถ่ามากเลยยังค่อยมาจมอันนั้นบดถือเด้ อันนี้สอนผู้เถาวายวันไปยินบอกให้ผู้เถาจำเนียกจำเกเบิงเจ้าของวันนอกไปบ่เป็นเบิงเถาผู้อื่นให้ลงพอกัเบิงเจ้าของก็เกันได้ที่วอาให้ฟังนี่ลงพอก็บเบิงเจ้าของเสี้งใดเ จ, จ้าของเห็ดว่ลงพอกบอ เ, เอคูบายฉันพ้นฟาเห็ดจงสี่ได้แต่เขาเห็ดว่าใดเข้ากับบอกได้คู่บายฉาาันาาาพ้นเห็ดแต่ว่าพ้นเห็ดจิงสี่ด้แต่เขาเห็ดว่าใดเป็นยังยกตัวอย่างมาชมว่าลงตาบนว่า เห่าในา น, านังภาวนามัดอขึ้นหอดแจงติดต่อกันแต่บ่เป็นตังคขงมือเลยสองสามหมื่นนังสองสามหมื่นนังจนกล่นพองพวนาตลอดขึ้นตลอดขึนด้นเลยบ่ลุกเลยนังสมาธิตั้งแต่นงังหัวคํำขยันสว่างเลยโดยเฉพาะยังยิงมือฝนตกลิ้นเหมือนจะว่าอากาศเย็นๆโอ้ น, น, อนังภาวนาดีนังเมื่อขึ้นเฮาบ่เป็นนังรับเลย น, นังสติเข่าสมาธิจิตสงบตลอด อ้ใ น, นเข้าก็ยกจ่องประวันีล้มตาเห็ดถึงสีนะผู้ใดจะเหตุใดก็ดีนะแต่สําหรับเข้านี่เข้านั่งขึ้นในหอดแต่แปดชั่วโมงไว้ปูบวๆๆอยบวอยเออเข้านั่งหอดประหนรแล้ววะเออหอดแปดชั่วโมงเข้านั่งอยู่ว่ะแต่เดินจะกงมวัดขึ้นเข้าเคยเดินน ะ, ะเออเข้าเดินวัดขึ้นสอดแย่งนะเข้าเคยเดินจนฟ้าเท่าบาังเออแม่นอิลีได้ผ้าโซน่าที่ว่าเดินจงขมจนตีนสอดเออแมนอิลีว่ะ เพราะเขาเดินจงกรมมดขึ้นเลเขาบอรไซล่องเท่าพระไสล่องเท่ามันหนักเลยใต่ตีนเพิ่มเลยทั้งทั้อย่กลมเห็ดละเอียดอยู่แหลมมันบ่ดละยางกลับไปก้าบมาก้าบไปควาบมาภาวน่าแบ ม, มีสตียางมือเจ้าเนี่สอดแยงมาเบิ่งโอ้ยเห็นเลือดนี่หวยฟาตีนี่บางมัดวนลงไปแน้ดงๆจนเดง้เด ง, ดงลอยาไปโอ้ก็มันเดินอีสักมื่นนี่สอดักตีนเนี่วะแต่ว่านังตีนหนาเร็วนะ่ะ พ่อฉันยังหันแล้วไปพักพรบนไปเลยพ่อตอนไปใบหนาคือเก่าทุกใโอ้หนังตีนีหนาไหวเวว่ววะเอออันนี้คือลงพอเปรียบเทียบให้ฟังว่าเอการสอนผู้อื่นก็ให้เบ่งเจ้าของก่อนวนออไปอืมแต่ว่าถึงอย่างไงก็ให้สอนในแนะนําเอาไว้ยกตัวอย่างที่ดีเอาไว้ให้ลูกให้ลานพวกเข้าได้เป็นคนดิพุ่นดีเอีบันนี่ลงพอเดบบอจะอหยืดเงี้ยพะเห็นว่ามีเวลา พวกเขาก็จิตกับบบานกลับเมื่องก็จิกกับบบานจุของคำได้กระบบเป็นอย่างมากเนาะเอาเอาการพูดของหลวงพอ่อกับขอจบลงเพียงเท่านี้เนะ